บันทึกพิเศษท้ายบทเพื่อความเข้าใจลึกลงไปจำเพาะเรื่องบันทึกที่หนึ่งเรื่องสะอุปาทิเสสะและอนุปาที่เสสะบางท่านถือเอาความหมายตามพุทธพจน์ในอังคุตระนิกายซึ่งจำแนกประเภทบุคคลอุบาลนิพพานเป็นสองอย่างคือสะอุปาที่เสสะบุคคล บุคคลผู้ยังมีอุปาทานเหลือหรือยังมีกิเลสเหลืออยู่บ้างกล่าวคือพระเสขะได้แก่พระโสดาบันพระสกทาคามีและพระอนาคามีกับอนุปาทิเสสะบุคคลบุคคลผู้ไม่มีอุปาทานเหลือหรือไม่มีเชื้อกิเลสเหลืออยู่เลยได้แก่พระอเสขะคือพระอรหันต์จึงแปลคำว่าอุปาทิ เป็นอุปาทานคือตัวความยึดมั่นและจํากัดความหมายของนิพพานสองอย่างนั้นว่า 1. สัอุปาทิเสสนิพพานาธาตุนิพพานที่ยังมีอุปาทานเหลืออยู่หรือนิพพานของผู้ยังมีกิเลสเหลืออยู่บ้างได้แก่นิพพานของพระเสขคือพระโสดาบันพระสกทาคามีและพระอนาคามี 2. อ, อนุปาที่เสสนิพา น, นธาตุนิพพานที่ไม่มีอุปาทานเหลืออยู่เลยหรือนิพพานของผู้ไม่มีกิเลสเหลืออยู่เลยได้แก่นิพพานของพระอเซขะคือพระอาหารหันต์การแปลความหมายอย่างนี้เกิดความสับสนระหว่างภาวะคือสอุปาที่เสสนิพานและอนุปาที่เสสนิพานกับบุคคล คือสอุปาที่เสศบุคคลและอนุปาที่เสาบุคคลกล่าวคือนิพพานสองนั้นเป็นการแสดงภาวะของนิพพานเท่าที่บุคคลเข้าไปเกี่ยวข้องส่วนบุคคลสองเป็นการแสดงถึงบุคคลผู้เกี่ยวข้องกับนิพพานดังนั้นเพื่อป้องกันความสับสนพึงแยกสอุปาที่เสสนิพพาน ละอนุปาทิเศ ส, สนิพานไว้พวกหนึ่งสาอุปาทิเศ ส, สบุคคลและอนุปาทิเศ ส, สบุคคลซึ่งได้กล่าวต่อไปในตอนว่าด้วยบุคคลผู้บรรลุนิพานว่าอีกพวกหนึ่งไม่ให้ปากปนกันและสท์สําคัญที่จะช่วยแยกความหมายในกรณีนี้ก็คืออุปาทิในสาอุปาทิเศ ส, สนิพานและอนุปาทิเศ ส, สนิพาน ซึ่งแตกต่างจากอุปาทิในสาอุปาทิเสสาบุคคลและอนุปาทิเสสาบุคคลพึงสังเกตว่าในอัธกถาที่อธิบายเรื่องนิพพานสองนั่นเองก็ยังมีคำอธิบายบางตอนชวนให้สับสนว่าสาอุปาทิเสส น, นิพพานคือนิพพานของสะอุปาทิเสสาบุคคล